วางแผนเสเรียบร้อยนะว่าจะเอายังไงแน่สมมุติว่าเราผ่านอุปสรรคสองขั้นนี้ไปได้แล้วชยันว่าหยุดบุรีสูเป็นตัวแรกของระยะการบุกบันหนักมาตลอดเวลาแผนของเรายังไม่สามารถกำหนดได้ตายตัวนะครับคุณชยันเพราะยังไม่เคยเห็นภูมิประเทศมา ก, ก่อนนอกจากการคาดคะเนเอาตามคำบอกเล่าของลูมันต้องกาหนดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นระยะระยะไปแต่ผมกาหนดคร่าวๆไว้แล้ว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 ดีดนิ้วเป็นสัญญาณกับคนของเขาแล้วขบวนทั้งหมดภายใต้การนำของเฉลยก็เคลื่อนที่อย่างรีบด่วนแ่งกระเวลาบุกกลับไปทางด้านใต้ของไหลผาตอนนั้นหนทางที่บุก ป, ป่าไปลาดต่ำลงจากระดับเดิมเหมือนจะเดินลงเขาคลานบ้างก้มบ้างแวกกันไปตามโพงน้ำและเถาวัลครูใหญ่ ก็ทะลุออกทางด่านซึ่งเลาะเรียบปล่องเหวอันเป็นทางเดินของสัตว์จำพวกเลี้ยงผาและเสือดาวชะงโงกมองลงไปเบื้องล่างทุกคนรู้สึกว่าวิวเย็นเฉียบที่เทา้ามันเป็นช่องลึกเวิ้งวางลงไปสู่ก้นอันไม่สามารถกำหนดได้ว่าไปสิ้นสุดลงนรกขุมไหนบุญคำสะดุดหินก้อนหนึ่งขนาดกำปัน้นพลัดหลุดจากขอบลงไป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 ฟังตรงข้ามเป็นทางด่านที่เลาะเรียบไหลผาตอนนั้นเช่นกันแต่อยู่ในระดับเยื้องเป็นชานสูงขึ้นไปเล็กน้อยมีผู้ไม้และกิ่งเถาวันขึ้นอยู่ตามริมขอบลำยื่นออกมาในช่องว่าปรปกปลายพราน์ใหญ่คาดคะเนนไว้ถูกต้องแล้วบริเวณที่แคบที่สุดห่างประมาณจ8ปเมตรเมื่อต่างมายืนพิจารณาอยู่ยังขอบเหวตรงตำแหน่งนี้ เสียงกลองยิ่งดังสะเทือนได้ยินถนักเหมือนจะดังมาจากหลังเขานั่นเองมันรั่วกระหึมไปในอีกจังหวะหนึ่งอย่างเร่งร้าวกระชั้นทีทวีขึ้นทุกขณะพร้อมกันก็มีเสียงโห่หอนในท่วงทำนองลีลาประหลาดแวววมาตามลมเสียงเคาะเกราะผสมผสานไปกับเครื่องดนตรีอันประกอบขึ้นด้วยเขาสัตว์และปล้องไม้ไผ่ฟังแล้วสะท้านไปทั่วขุมขน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 วนเวียนซ้ำซากอยู่เช่นนั้นบางครั้งก็แทรกมาด้วยเสียงร้องแหลมยาวยังสำแดงถึงความลำพองปรีเปรมใจอย่างป่าเถือนโดยไม่ยอมไม่เสียเวลาต่อไปอีกแม้แต่นิดเดียวพรานใหญ่ขอเชือกประจำตัวของทุกคนมาต่อกันเข้าโดยแบ่งออกเป็นสองเส้นยาวเท่าๆกันปลายด้านหนึ่งของเส้นหนึ่งผูกเป็นบ่วงบาดแกว่งขึ้นเหนือศีรษะเป็นวงกลม พอได้จังหวะ ก, ก็คว้างไปคล้องกับแง่โคดหินฝั่งตรงข้ามที่โผล่เด่นขึ้นมาลักษณะเหมือนเสาหลักอย่างแม่นยำกระชากให้บ่วงรัดติดมัดติดแน่นกับแง่หินอันนั้นแล้วให้แง่ซ้ายและขยินสองคนช่วยกันออกแรงฉุดกระชากเพื่อทดลองดูความมั่นคงแข็งแรงของบ่วงรัดว่าจะหลุดออกหรือไม่ปรากฏว่ามันรัดติดแง่พอดีไม่มีโอกาสที่จะหลุดได้ ยกเว้นแต่เชือกในลอนเส้นขนาดเกือบเท่าหัวแม่มือนั้นจะขาดออกแล้วส่งปลายอีกด้านหนึ่งให้บุญคำไปยิงขึ้นไปบนต้นมะข่าที่อยู่ใกล้ๆจัดการผูกเข้ากับลำต้นระดับสูงขึ้นไปเล็กน้อยเพื่อให้เส้นเชือกขึงตึงในระดับขนานกับพื้นของฝั่งตรงข้าผมจะไต่ข้ามไปก่อนเขาอธิบายโดยเร็ว ภายหลังจากทดสอบกระโดดขึ้นเกาะเส้นเชือกที่ขึงตึงไกวตัวอยู่ไปมาพอไปถึงฝั่งโนนจะขึงเชือกอีกเส้นหนึ่งในระดับล่างขนานกันเพื่อใช้เส้นบนเป็นเส้นสำหรับเกาะพยุงเส้นล่างเป็นเส้นเดินไตไปแบบสะพาน ล, ลิงพอจะข้ามกันได้ไหมครับเชิถากระชัยันยิ้มปราบๆผมกระชัยันนะไม่กระไรหรอกเต่น้อยนะสิ ดารินมือเท้าเย็นหล่อนเริ่มใจไม่ดีตั้งแต่เริ่มมองเห็นปากเหวและรู้กรร ม, มวิธีที่จะข้ามแต่แรกแล้วและเป็นครั้งแรกที่นักมนุษย์วิทยาสาวร้องอุทธรขึ้นนี่ฉันไม่ใช่นักยิมนาสติกแล้วก็ไม่ใช่นักไต่ราวแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นโรคกลัวความสูงอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็จะพยายามรายหลังคิดชั่วกึ่งอึดใจ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 จะปืนกระสัมภาระติดตัวละ่ะจะเอาข้ามไปได้โดวยวิธีไหนระยะห่างแค่นี้เองปืนและของแต่ละชิ้นของเราก็ไม่นักอะไรเราจะใช้วิธีโยนส่งแล้วก็คอยรับครับทั้งสองใช้สายตาคำนวณกะระยะอีกครั้งแต่ก็เห็นด้วยว่ามันพอจะเป็นไปได้เวลาเราข้ามกันไปถึงฝั่งโน้นหมดแล้วเราจะมีวิธีเอาเชือกคืนได้ยังไง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 คนทางฝากนี้จะลอยข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้เองตามหลักของแรงเวียดเราก็จะได้เชื่อกคืนมาทั้งหมดเชี่ยถาครางอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างทึ่งทึงในความปรีชาชานฉลาดของพรานนําทางซึ่งเกิดขึ้นอย่างชนิดที่เขาเองก็คิดไปไม่ถึงส่วนชายยันยิ้มออกมาได้ดีดนิ้วเปาะร้องออกมาสั้นๆคําเดียวว่าใสาระพินปลดเป้หลังออก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 ที่พากันยืนอยู่ออกไปอย่างแช่มช้าเสียงใครคนหนึ่งร้องเตือนตามหลังมาเบาๆให้เขาระวังตัวท่ามกลางสายตาของผู้ร่วมคณะที่จับมองอยู่ด้วยใจอันเต้นระทึกร่างของจอมพรานไกวาตามเชือกเส้นนั้นห่างออกไป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 อย่างมินเมมันเป็นความหวาดสวเสียวเสี่ยงต่อการพลัดล่นลงไปสู่มรณการซึ่งรอคอยอยู่เบื้องล่างเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ปลอดภัยพอสมควรสำหรับผู้มีสติและกำลังใจอันมั่นคงหากไม่เผลอปล่อยมือจากเชือกเส้นบทชายันก้าวพลาดถึงสองครั้งปีนหลุดจากเชือกเส้นล่างแต่เขาก็สามารถยึดเส้นบนไว้ได้ปล่อยตัวให้ห้อยเคว้งคว้างกลางอากาศ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 ดารินถูกกำหนดให้เป็นบุคคลที่สามภายหลังจากวางปืนปลดเครื่องหลังออกและไต่ขึ้นไปบนโขดหินใหญ่ในระดับที่ขึงเชือกไว้พี่ชายก็มัดข้อมือของน้องสาวอย่างแน่นหนาะคล่อมติดกับสายเชือกด้านบนไวป้องกันอุปัตภวัเหตุอันอาจเกิดขึ้นจากการปล่อยมือหลุดจากสายเชือกด้านที่ใช้ยยึดเลี้ยงตัวบนเชือกเส้นล่างให้ดีนะ อย่าพยายามมองลงไปข้างล่างเชิดฐากระซิบตื่นนักมานุษยวิทยาหลับตาสุดลมหายใจเข้าปอดแล้วลืมตาขึ้นอีกครั้งด้วยกำลังใจอันเด็ดเดี่ยวฝั่งตรงข้ามรบพิงกับชัยยานันยืนเตรียมรอคอยรับอยู่แล้วด้วยอาการกระสับกระส่ายลอนเม้มปากทดลองปล่อยมือออกจากเชือกเส้นบนที่จับอยู่ให้เชือกที่มัดเป็นบ่วงติดข้อมือ คอนน้ำหนักของตนเองแขวนไว้กับสายโยแล้วทิ้งตัวลงปรากฏว่ามันห้อยตัวหลอนได้อย่างมั่นคงโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้มือจับวินาทีนั้นเองตอนก็ตัดสินใจเฉียบขาดใช้มือทั้งสองจับเชือกเส้นบนไว้ก้าวเหยียบไปบนเชือกเส้นล่างในอาการเดียวกับที่ชัยันล่วงหน้าไปก่อนแล้วด้วยความกล้าหาญมั่นคงผลปรากฏออกมาว่า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 ถัดมาก็เป็นแง่ทายแล้วก็ถึงเจ้าลูผู้เป็นเฉลยขยิ่งจัดการมัดมือคล่อมติดกับสายเชือกเส้นบนลักษณะเดียวกับดารินเพื่อป้องกันอุปัตตวเหตุเท่าเท่ากับป้องกันการใช้เล่เหลี่ยมผละหนีแล้วร้องเตือนไปยังแง่ทายให้คอยรับพลางก็ทีบลูกชายหัวหน้าเผาสางเขียวลอยหลุดออกไปจากโขดหินที่ยืนอยู่ขวนควางอยู่กลางอากาศหรือช่องเหวนั้น รู้จำเป็นต้องเอาตีนตะกายควานหาเชือกเส้นล่างแล้วค่อยๆไต่นำตัวของมันข้ามไปอย่างไม่มีทางเลี่ยงพอไปถึงขยินก็ตามหลังมาเป็นคนที่เจ็ดถัดมาก็คือเก๋เป็นคนรองสุดท้ายทิ้งบุญคําให้อยู่เป็นคนหลังสุดเมื่อคนอื่นๆข้ามพ้นไปหมดบุญคําก็แก้ปลายเชือกเส้นล่างออกเงยสายสาวไปยังฝั่งตรงข้าม ต่อเข้ากับปลายเชือกเส้นบนซึ่งบัดนี้แก้จากการมัดโยงอยู่กับแง่โคดหินเพราะกลายเป็นเส้นเดียวกันก็ น, นําไตขึ้นไปยังคาคบตะเคียนสูงที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆ้โยงรังไว้ลากปลายไปผูกแน่นไว้กับต้นยางอีกต้นหนึ่งเพื่อกันหลึกจากนั้นอีกหลายคนก็เข้ามาช่วยกันยึดสายเชือกที่ทอดลงมาจากง่ามต้นตะเคียนไว้ เตรียมชักรอกระพินกระโดดขึ้นไปบนยอดหินริมริมเหวคอยรับและทาหน้าที่ให้สัญญาณทั้งสองด้านเขาร้องสั่งให้บุญคำมัดปลายเชือกด้านโน้นติดกับเอวไว้อีกทีหนึง่งแล้วให้เกาะสายเชือกไว้มัน่นพอได้จังหวะพวกที่คอยชักรอกอยู่ก็ช่วยกันรั้งเส้นเชือกสาวขึ้นบุญคำผูกเกาะเชือกอยู่ด้านหนึ่งพร้อมอยู่แล้ว ลอยละลิวในลักษณะลูกตุมทวงแกว่งเข้ามาตามกดของแรงเหวี่ยงในทันทีนั้นวูบแรกที่ร่างของบุญคำปลิวแกว่งเข้ามามันไม่ถึงขอบเหวอีกด้านหนึ่งและระพินก็ยังไม่สามารถจะคว้าถึงพอสุดช่วงแรงเหวี่ยงบุญคำก็แกว่งคืนกลับไปยังฝั่งเดิมลักษณะเหมือนการแกว่งของตุมนาฬิกาพวกที่ชักรอกอยู่ก็ออกแรงเหนียวสายโยงให้รังสูงขึ้นไปอีก วพรานเท่าแข่งกลับเข้ามาอีกครั้งลอยมาถึงฝั่งย่างมิ่นมินพรานใหญ่พลักสุดแรงเกิดให้ลอยกลับออกไปเพื่อให้การเวียงคืนในครั้งที่สามปลิวลึกเข้ามาอีกแล้วก็สมประสงค์ในครั้งนี้ร่างของบุญคําแข่งพ้นขอบเหวขึ้นมาได้อย่างเต็มตัวเขาก็คว้าเอาไว้ได้ก่อนที่จะหลุดกลับไปบุญคําจึงเป็นคนสุดท้ายที่บรรลุถึงที่หมายได้อย่างทุลักทุเล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 ที่ต่อไปอย่างทรรพดโดยไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นิดหนึ่งไต่เนินชั้นเหนือขอบเหวฝั่งตรงข้ามนั้นขึ้นไปอีกครู่เดียวก็บรรลุถึงหน้าผาตัดตรง90้าสิบองศาแมซายตอกถอยนําหน้าขึ้นไปก่อนเพื่อสร้างบันไดให้กัทุกคนตามวิธีที่ถนัดไม่ช้าไม่นานนักท่ามกลางเสียงกลองและเสียงหูร้องก้องสนันของพวกมนุษย์ผีดิบซึ่งดังจากฝ้าเขาตรงข้าม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 และขอบลงจรดกับทิวเขาที่ต่ำลงไปทางด้านอัดสดงคตบนยอดเขาตอนนั้นเป็นเนินราบตา่ําทอดลงไปสู่แองรูปก้นกระทะตอนหนึ่งและเห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างถนัดชัดเจนยาเมื่อคณะทั้งหมดพากันหมอบตัวแอบซุ่มอยู่ตามก้อนหินและเนินสูงต่ําที่แวดล้อมอยู่ทั่วไปลิบลิ่วลงไปสู่ใจกลางแองกระทะ อันเป็นทำเลประหลาดนั้นกราดเกลือนแน่นขนาดไปด้วยกระท่อมหลังคามุงด้วยใบพลวงรูปยอดแหลมกลวยฝาฉีปลกลงมาเกือบจะดพื้นฝาทำด้วยตับแฝกลักษณะของมันผิดไปจากบ้านเรือนของชาวเขาเผ่าใดๆทั้งสิ้นที่ทุกคนเคยพบเห็นมาประมาณด้วยสายตาคร่าวๆไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบหลังคาเรือนปลูกเรียงรายอยู่บนพื้นที่อันสูงสูงต่ำต่ำ ตามลักษณะของภูมิประเทศสลับไปด้วยหมู่ไม้พุ่มพงแต่ก็มีหนทางเดินอันโล่งเตียนลักษณะถนนติดต่อถึงกันหมดปางลานกว้างราบเรียบตื่นตีเนินซึ่งมีเสาผีปากสูงชลูดราวกับเสาโถงเรียงรายเป็นระยะอยู่กราดเกลือบัดนี้คลาคล่ำไปด้วยอนาระยะชนผู้เป็นเจ้าของถิ่ม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 นักกลางลานนั้นกำลังมีการเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักสับสนไปหมดรละคนไปกระเสียงห่ร้องและเสียงดนตรีป่าเถื่อนของพวกมันซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลองและเกลอกไม้โหมกระนาทีรรัวอื้ออืระหว่างที่ทุกคนเพ่งสายตาเพื่อปรับระบบจักสุภาพให้ชัดเจนขึ้นนั่นเองสัพสําเนียงอึงอนเหล่านั้นก็เงียบส ง, งดลงในทันทีราวกับนัดกันไว รูประหนึ่งว่ากลางลานชุมนุมอันมีคนนับร้อยนั้นจะปราศจากสิ่งมีชีวิตชั่วขณะเดียวของความเงียบอันเป็นดึกษณีนี้ต่อมาก็ตามมาด้วยเสียงโหวนแหลมเยือกแววลอยขึ้นมาตามลมนำขึ้นแล้วก็มีเสียงครงขานตามเสียงนำนั้นเหมือนจะเป็นการสวดบวงสวงร่มนอะไรสักอย่าง เสียงกลองแปรเปลี่ยนสถานใจไปอีกจังหวะหนึ่งฟังบาดลึกเข้าไปถึงรากขุมขนสอดแทะตามมาด้วยเสียงแผตะโกนเร่งร้าวทีกระชั้นกระโชกแล้วก็ลดลงสู่ระดับโขลยหวนวังเวงสลับกันอยู่เช่นนั้นจากกล้องสองทางไกลของคณะนายจ้างทั้งสามภาพทั้งหลายแหล่ก็แจ่มกระจ่างออกไปในสายตาที่จ้องตะลี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 เสืออึกลำออกไปแล้วก็กระโดดถอยกลับซ้ำซ้ำสักๆใจกลางวงล้อมของระบำศึกนั้นฉเฉลยจำนวนสิบคนถูกมัดมือมัดตีนควายหลังนั่งก้มในท้าคุกเขา่ศาศีรษะชะโงกไปเบื้องหน้าเพราะคอถูกมัดติดอยู่กับหลักไม้งามเรียงรายอยู่เป็นแถวหน้ากระดาน สังเกตจากลักษณะได้ว่าเป็นชายเผาตองเหลืองพวกเดียวกับเกอทั้งสิบคนมีลักษณะไม่ผิดอะไรก็วัวควายที่ถูกมัดติดกับหลักประหารยืนเด่นสัมเดงอาการเยืงยักเต้นแรงเต้นกานำหน้าขบวนเหล่านั้นเป็นร่างที่ห่อหุ้มไปด้วยหนังหมีทำให้มองดูเหมือนสัตว์มากกว่าคนมีกระดูกเป็นสายสังวาลพันรุงรังรอบตัว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 เป็นแท่นหินสูงเด่นเสมือนจะเป็นประธานของพิธีชายรูปร่างล่ำสันแข็งแรงนั้นถือหอกวางท่าส ง, ง่าอยู่บนนั้นคลุมไหลไว้ด้วยหนังเสือดาวสีสักปักขนนกแดกนั่นคือสูสูหัวหน้าเผ่าทุกคนที่ซุ่มดูเหตุการณ์อยู่ย่อมจะเดาได้ในทันทีตามรูปการวงล้อมรอบนอกห่างออกไปคือพวกผู้หญิงคนแก่ และเด็กอันเป็นประชากรในหมู่บ้านชมรมของมันทั้งหมดความน่าสยองกล้าวทั้งหลายมันไปรวมจุดอยู่ที่อินคาซึ่งตั้งกลังงานมางคือมาชะเง้อมติดอยู่กับแผ่นผาหน้าลานพิธีมันคือภูเขาหินทั้งลูกสลักเป็นรูปคนในท่านั่งมือทั้งสองวางราบไปกับเขา่าศีรษะเป็นเสือกำลังสยียกี้อวยามนี้แสงตะวันใกล้ค่า สาดจับแดงฉานดูประหนึ่งจะมีวิญญาณผีร้ายเข้าสิงต่ำลงไปเป็นแท่นบูชากว้างใหญ่สลักจากเนื้อหินก้อนเดียวกันสองด้านมีเสาสูงปักอยู่คล้ายๆเชิงเทียนปลายเสาด้านบนเป็นกระบอกไผ่ขนาดใหญ่แผ่ปากกว้างไว้เป็นรูปชลอมเป็นที่ใ ส, ส่ศีรษะของมนุษย์ผู้จะถูกตัดมาสังเวยบัดนี้มันยังว่างเปล่า มุมบากระโดดโลดเต้นไปตามแถวของเหยื่อสังเวยที่มีคอติดอยู่กับหลักเหล่านั้นใช้แส้หางกระทิงปัดลงไปบนแต่ละศีรษะที่มันผ่านไปแล้วชูแส่ขึ้นโบกไปทางเทวรูปอินคาพร้อมทั้งเปล่งเสียงแหลมเยือกเย็นที่ไม่มีคณะผจนภัยคนใดสามารถฟังออกนอกจากจะเข้าใจโดยอาการว่าเป็นคำบวงสูงสังเวยตามระษาของมัน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 สินดารินละล่ำละลักออกมาแทบไม่เป็นภาษาพร้อมกับถอดกล้องที่กำลังส่องอยู่ออกจากสายตาด้วยความหวาดเสียวสุดที่จะทนดูได้ชั ย, ยันก็ตะครุบกล้องมาส่องแทนจากเล่นย่นระยะอันแทนสายตาของเชษฐาระพิน์และชั ย, ยันอยู่ในลักษณะนี้ต่างเห็นเจ้ามุมบาหมอผีผู้กกำลังเต้นวนอยู่หยุดชงงะงักเกกลกชูแส้ขึ้นเป็นสัญญาณสางขิューจานวนสิบคน